อัลัยลลอฮฺุรราะห์มานุรริม alhamdulillahirabbil alamin وبه نستعيل حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم أما بعد سلام ุอะลัย كم ورحمة الله وبركاته ความสติความจำาริ่นเจ้าลอสุภาณอหวต阿拉ประสบกับพี่น้องผู้สตาทุกทุกท่านนะครับฮัมดุริลละขอชูโค้ขอบคุณลอสุภาณอหวต阿拉นะครับที่ยังให้เราได้มีโอกาสที่จะได้มา ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับแล้วก็พี่น้องยังได้ให้เกรติดตามรับชมรับฟังนะครับในรายการวิทยุเสียงอิสลามตลอด24ชั่วโมงตรงนี้นะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นสามารถที่จะได้ทบทวนตัวเราเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้รับทราบรับฟังเรื่องราวต่างๆนะของรายการต่างๆที่จะได้นํามาเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนชาฉลาดนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เช่นเคยนะครับ เราก็อยากที่จะได้เน้นย้ําและก็บอกกล่าวกันนะครับว่ากุรานที่เราอ่านกันกุรานที่เราศึกษากันนั้นนะครับเป็นวะยูที่ถูกประทานให้กัท่านนบีศสุลตลันนะครับและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็คือเป็นธรรมนูญนะครับแล้วก็ยังเป็นทางนําและทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธานะครับเราซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุภาณะฮฺวาตาลาให้ โอกาสกับเราในการยังมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ใช่เพื่อที่จะได้อยากจะกินอะไรก็กินอยากจะทําอะไรก็ทําเปล่าเลยนะครับเพื่อเราจะได้เป็นผู้หนึ่งหรือเป็นบ่าวคนหนึ่งนะครับที่สํานึกในความเมตตาของอัลลอฮฺสุขานางอัลตลาแล้วได้ปฏิบัติในเรื่องราวของอิบารัดนะครับโดยใช้อัลกุรอานเป็นทางนำนะเพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานมาให้กับท่านอะบีสัลลอฮฺวางไดฮิวะซัลลัมแล้วก็มา ท่านนาบีก็มาสอนกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นปุมมมากของท่านและแน่นอนตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้และถึงวันเทียายมะที่กุรอานจะได้ เ, เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะทิ้งไม่ได้เลยจะต้องอศึกษาเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับครับพี่น้องครับต่อเนื่องนะฮะเรายังอยู่ในสุระอัลกัซัสนะครับนะวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่อนะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่ หลังจากที่แม่ดามีมูซาได้โยนนบีมูซานะครับพูดง่ายว่าให้ลอยน้ําไปนะครับก็หัวใจนี่พูดง่ายว่าไม่ไม่เหลือสิ่งอื่นนอกจากชื่อของนบีมูซาการห่วงใยการตระหนักการคิดการจะไปถึงไหนจะเป็นอย่างไรจะจมหรือเปล่าอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้เป็นความห่วงใยและแน่นอนนะครับถ้า ม, มาดแม้นว่าไม่ได้รับการชีน้นําหรือการฮีดายจากอัลลอฮ์สุภาตลาห์นะครับหัวใจก็ แตกสลายนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่แม่นบีมูซาได้นั่นก็คื อ, อาการอิดายะจากอัลลอฮฺสุภาโนตาลานะให้หัวใจให้ความเชื่อมั่นให้ความมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮฺสุวาตาลาเกิดขึ้นนะครับก็บสิ่งนี้แหละครับแล้วก็แน่นอ น, นครับทำให้แม่นบีมูซ่านั้นจึงมีสตินะครับแล้วก็จึงได้สั่งคําสั่งนี้กับพี่สาวของนบีมูซ่าที่บอกว่าวะกอลสลิอุติฮี และแม่นบีมูซาก็จึงได้บอกกับพี่สาวของนบีมูซาที่บอกว่ากุซลฮิฟะบสุลต์บิฮีอันยุนนบีวัฮุมลายญอรูนให้ไปลองดูไปดูซิว่า น, น้องชายไปถึงไหนแล้วไปดูซิว่ากล่องที่ใส่เนี่ยตอนเนี้ยเป็นอย่างไรพูดง่ายว่าไปติดตามข่าวสารซินะอะไรมันเกิดขึ้นเสียงสะท้อนจากข้างนอกเสียงอะไรก็แล้วแต่ถ้านะในกรณี ถ้าเด็กคนนี้หรือนบีมูซ่าถูกพบเจอด้วยกับ อ, อย่างไรก็แล้วแต่ดูซิว่าพฤติกรรมการตอบสนองของทหารของอบริวารของเฟรนามีอย่างไรบ้างเห็นไหมครัความหมายก็คือว่าเพื่อที่จะรู้ข่าวข่าวว่าน้องชายเมือนหถึงนบีมูซาเป็นอย่างไรบ้าง น, นะครับเป้าหมายคือต้องการรู้ต้องการเข้าใจว่า อตอนนี้น้องไปถึงไหนแล้วลูกที่เขารักคือนบีมูซาอะไรสักเป็นอย่างไรบ้าง น, นะครับในะขณะเดียวกันนะครับพี่สาวของนบีมูซาก็ไปตามที่แม่ได้สั่งใช้นะครับแต่มีกลยุทธ์ก็คือติดตามไปห่างๆดูแบบห่างๆนะครับแล้วก็เฝ้าดูว่าตอนนี้นบีมูซาหรือกล่องที่ใส่นบีมูซาตะ ก, ก้าที่ใส่นบีมูซานั้นล อ, อยไปถึงไหนแล้ว เป็นอย่างไรแล้วนะครับนะและแน่นอนครับพวกเขาทั้งหลายหมายถึงที่เราและบริวารไม่รู้สึกหรือไม่ยังไม่รู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งนี้มาได้อย่างไรนะครับด้วยกับสิ่งที่เขาอาจจะวิตกกังวลนะแต่ครั้งเมื่อเปิดเจอนบีมูซาอยู่ในกาจามีความ เ, เขาเรียกว่ามีความรักมีความ ประทับใจนะด้วยด้วยสิ่งที่หรือความรักที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ความรักไปในหัวใจของผู้ที่พบเห็นและพบเจอนะครับอูฮารัมนาอะไลฮิมารอบเดียมิงคอบละนะก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการที่อัลลอฮ์ได้ให้เห็นนะครับถึงความเยีบยลของแผนการของพระผู้เป็นเจ้านะครับที่ไม่มนุษย์ที่คิดว่าเขาจะมี ความสามารถเขาจะมีกลยุทธ์เขาจะมีวิธีการที่เหนือกว่าทุกๆคนที่เขาคิดนะนะแต่สุดท้ยอัลลอฮ์ทาให้เห็นนะครับหะรัมนาอัลหินมารอดเดียรหลังจากที่ยอมรับหลังจากที่คิดว่าโอเคจะให้นบีมูซาเป็นลูกนบีอูซาเป็นผู้ที่อยู่ในการดูแลของเฟร์เอลและของในวังของเิร์เอลแล้วนะอัลลอฮ์สุภาหนาหัวตาลาได้ห้ามไม่ให้นบีมูซา รับประทานน้ำนมหรือดื่มน้ำนมจากเต้าของไขส่สัพนของแม่นมไข่ไข่ก็แล้วแต่ไม่ให้ดื่พูดง่ายว่าเมื่อรับเมื่อเปิดขึ้นมาเป็นเด็กด้วยกับการเ้าเรียกว่าใแบเบอะนะฮะก็ต้องกินอาหารอาหารปกติยังกินไม่ได้ต้องกินนมจึงระดมแม่นมมาแล้วก็ให้ทําการเลี้ยงนบีมูซาแต่พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รู้แล้วก็ได้ตระหนักนะครับว่า เอาล็สุภาโนวตารานะครับจะทำยังไงก็ทำได้เลยแต่ท่องต้องการให้มนุษย์ประชาชาตินะครับได้เห็นถึง อ, อ, อำนาจความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเด็กที่หิวพี่น้องครับทำไมถึงไม่ยอมทานนมจากแม่นมคนอื่นๆอันนี้น่าคิดนะเด็กที่กระหายที่พูดงว่ากี่วันแล้วไม่ได้ทานนะครับ แต่ก็ไม่ยอมที่จะดื่มนมจากแม่นมที่ถูกเกณฑ์มาให้เป็นแม่นมของลูกบุญธรรมของเฟียร์เอาใครๆก็อยากมาครับใครๆก็อยากเป็นผู้ที่ได้รับการชื่นชมนะจากเฟียร์เอาหรือบริวารของเฟียร์เอาณตอนนั้นนะสุดท้ายทําไมครับเอาล็อกซุปหางนาะวัตลาได้บอกว่าว่ัร้ามมางานให้มารอ ض ย์นะฮก็ไม่ให้นบีบุษราได้ดื่มนมจาก แม่นมคนไหนคนใดเลยนะครับแล้วทําไมล่ะครับหลังจากนั้นแล้วนะฮะฝกละทันอดุลกุลนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงหรือหนึ่งกลยุทธ์นะครับเรียกคนนี้ไปเรียกคนนี้ไป <c oughs> นะแต่นบีมูซาปฏิเสธไม่ยอมดื่มนมยังคงร้องยังคงหิวยังคงต้องการอาหารอยู่แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเป็นช่องทางให้ พี่สาวของนบีมูซายใช้วิธีการนะครับในการนําเสนอนะครับในการนําเสนอนจากประวติศาสตร์นี้นะครับก็มีการ เ, าเรียกกันว่าอิจฉาริษยานะครับมีการบอกในเรื่องของ เ, อาเขาเรียกว่าบูลลี่และเยียดยามกันนะครับมีมีต่างต่านั่นนะครับเพราะต้องไม่ต้องการให้ไข่เข้ามาต้องการตัวเองนั้นเป็นคนสําคัญในการที่จะเลี้ยงให้น้ํานมนะครับกับ นบีมูซาในขณะที่ตอนนั้นยังเป็นทารกอยู่นะครับเพื่อหวังในตําแหน่งหวังในอํานาจหวังในขาลางวาัลที่ฟิลเอาจะประราดให้แต่แล้วอัลลอฮ์ก็ห้ามนะครับไม่มีถ้าอัลลอฮ์ห้ามแล้วแน่นอนครับไม่มีไม่ใช่ว่าน้ํานมไม่มีนะคือน้ํานมมีเลี้ยงเด็กคนอื่นได้หมดเลยแต่เวลามาถึงนบีมูซานาบีมูซ่าไม่ทานไม่ทันท น, นะ ที่สามนาบีอุสาจิงได้บอกว่าฮัลอะดุล ล, ลุกุมอลอิบตยาฟูลูนะฮเอาไหมอะฉันแนะนาคนหนึ่นนงนะฮะก็อยู่ในบ้านฉันเนี่แหละอยู่ในวงตระกูลหรือพวกว่าอยู่ในบาน้าอิสรอล น, นี่ยแหละครับนะฮะเขาจะได้มาดูแลนะมาดูแลเด็กคนนี้หรือมาป้อนนมเด็กคนนี้นะเป็นคำถามว่าเอาไหมฉันแนะนาฉันบอกกล่าว นะครับชั้น เ, เสนอนให้แม่นมคนเนี้ยให้มาเขาเก่งมากนะแล้วเขาเอาใจเด็กเก่งและเด็กทุกคนที่ที่เขาเลี้ยงล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่จะหิวจะอิ่มก็อยากที่จะกินนมจากเต้าของหญิงคนนี้หรือของแม่นมคนนี้นะครั บ, น, รบนี่คือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่พี่สาวนาบีมูซาได้พยายามบอกเพื่อเพื่อให้ฟฟร์เอาและทหารและบริวาร น, นั้นยอมรับ เขาให้โอกาสสักครั้งหนึ่งให้โอกาสสักครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าการอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นแบบไหนครับแม่ น, นมทั้งหลายที่ถูกปฏิเสธจากเด็กที่ชื่อว่านาบี ม, มูซานนะจึงได้บอกว่าเรารองมาต้องห่าหกคนแล้วไม่สําเร็จสักคนไม่สําเร็จสักคนเห็นไหมแล้วท่านจะเอาใครมา แ น, นมันกลมไปไม่ได้แต่เสียเวลาเปล่าคำพูดอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะตอนนั้นตอนนี้มันก็มีถ้าเร า, เาทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำนองประมาณนี้นะครับสุดท้ายทำไมครับการที่บอกว่าลองมาแล้วหกคนไม่สำเร็จคือหมายถึงว่ายังไม่ยังไม่ยอมดื่มนมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับภรรยาเฟเรเอาบอกว่าถ้าหกคนไม่ได้จะจะลองคนที่เจ็ดมันจะเป็นอะไรไปโอ้โหพี่น้อง ถ้าหกคนแล้วยังไม่สำเร็จมันจะเป็นอะไรไปถ้าเราจะรออีกสักหนึ่งคนมันไม่มีข้อแตกต่างไงนะฮะมันไม่มีข้อแตกต่าง เ, นะรตตางเพราะในฐานะวันนี้มีคนมานำเสนอมีคนมาเชิงคาประกาศรับประกันนะว่าอย่างไงก็ดูดไม่ว่าเด็กจะดื้อขนาดไหนไม่ว่าเด็กจะไม่อยากกินขนาดไหนไม่อยากอ จ, จากอ้อมกดของพ่อแม่อย่างไรนะฮะเจอกับแม่นมคนนี้ที่แนะนำเนี่ยล้วนแล้วแต่ทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับ สุดท้ายทำไมครับเนะฟรเอาตกลงภรรยาของเฟร็เอาตกลงจึงได้เรียนเชิญนแมน่ดา บ, บิมูซาและครั้งที่สองคนเจอกันนี่ไม่จากจากร้องนี่เงียบเลยนะะก็เลยฟรยเอาเริ่มมีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะะเมื่อแม่นมคนนี้เดินเข้ามายังไม่ทันที่จะให้อุ้มนา บ, บีมูซาให้ นบีมูซ่ากับคาเลกนิ่งจากการร้องเพราะหิวนิ่งไม่ร้องหยุดร้องนะครับและครั้งเมื่อที่ยื่นนบีมูซ่าให้ดื่มน้ำนมนั้นมันเป็นการกรอดนะครั้งแรกของลูกและวก็แม่หรือเพื่อเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่ผ่านวิกฤตความเป็นความตายานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ อ่อานบรรยายให้กับพวกเราทั้งหลายได้รับทราบว่าท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสサラไม่ยอมดื่มน้ํานมจากแม่นมคนไหนนะครับแล้วก็พี่สาวของนบีมูซาก็ติดตามการเคลื่อนไหวนะการกล่าวการพูดอะไรเกี่ยวกับมูซา่าหรือเปล่าหรือหาต้นตอมาอยัางไงอะไรยังไงหรือเปล่าพูดง่ายไปสืบข้อมูลและสุดท้ายก็เจออย่างที่เจอ นะนาบิมูซาไม่ยอมทานน้ำนมไม่มีใครสามารถให้นาบิมูซาดื่มน้ำนมได้จนกระทั่งกนะลยุทธ์อันนีนะ้คำบอกอันนี้ที่พี่สาวยื่นออกไปนั้นถูกตอบรับว่าลองดูนะแล้วทำไงครับฟรดะนะหูอีลาอุมมิฮีไกตะกรไรนุฮาวลาตฮซันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุห์ฮัตลาได้ได้ให้คืน หรือได้นำดบีมูซาซึ่งเป็นลูกนะแะแตอนนั้นยังเป็นเด็กกลับสู่อ้อมกอดของมารดาพี่น้องลองจินตนาการวนะ่าศัตรูที่เดินเข็นฆ่าคนสุดท้ายสุดท้ายนะคนที่เขาค้นหาและอยากจะฆ่ามากที่สุดกลับมาอยู่ใกล้ตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรนะฮะ ฟารดั้นาวิลาอุมมิฮิกัยตก ร, ร้ายนัววาลาตาั้งยัและนี่เป็นเหตุที่ที่บอกว่าอัลลอฮสุภาณหัวตาลาได้ให้นบีมูซานะฮะกับคืนสู่อ้อมกอดของมันดาของเขาเพื่อที่จะให้เป็นแก้วตา ด, ดวงใจของผู้ที่เป็นแม่ว่าในมูซ่ายังปลอดภัยดีอยู่นะไม่บุบสลายไม่ถูก งูกัดงูกินไม่มีครับเหมือนเหมือนเลยเหมือนที่ที่แม่ได้มีบุษาได้เตรียมนะบุษราแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับเวลาเวลิตาและวอันนาวาดัลยครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นจริงเสม อ, อคำพูดสัญญาดังนั้นกค้อ่านพูดอะไรไว้พี่น้องไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องกัง ว, วลว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เนี่ยเมื่อเอาลอสุภาณานะวัตลาได้สัญญาเราไว้ได้บอกเราไว้ยังไงก็ต้องเป็นไปตามใจยังไงก็ต้องเกิดตื่นเมื่อไหร่ยังไหรค่อยว่ากันนะเราต้องอุตสาหะมันเพียรพยายามแค่ไหนถึงจะเห็นผลเข้ามาอันนี้ก็วัลลวะนลอวันอย่างเทศนา บ, บีมูซาจะเห็นว่าความมั่นเพียรความพยายามนะฮะการส่งพี่สาวไปดูลัดเราไปจนกระทั่งมาถึงการนำเสนอชื่อ นำเสนอคนดูแลนะครับเวลากินน um ้ำสโตรมลายานละมูลในอายะห์นี้นะครับคุณอ่านทิ้งท้ายไว้ทิ้งท้ายไว้อย่างไรนะครับว่าเวลากินน um ้ำสโตรมลายานส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้ความหมายก็คือว่าไม่มีใครที่จะตระหนักรู้เลยว่าว่านี่คือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮสุบันอะหวตาลานะะ ได้วางแผนได้จัดการเรียบเรียงสถานะแอบเหตุการ์เพื่อให้รู้ว่าเส้นเอาที่วางแผนในการเขียนข้าเส้นเอาที่วางแผนในการที่จ ะ, ะไม่ให้บุคคลที่เขาฝันเห็นหรือหรือเหตุการณ์ที่เขาฝันเห็นว่าถูกทํานายไทยทัก์ที่บอกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นในบันีอิสรอเอลผู้ชายนะเขาจะมาค้นบาลังของ ตัวเองจึงต้องพยายามขจัด ก, ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับมาถึงตอนที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาให้นบีมูซักกลับคืนออบอกของผู้ที่เป็นแม่และพินองครับที่มากไปกว่า น, นั้นคืออะไ ร, นะรนั่นก็คือว่าพร้อมที่จะเอานาบีมูซักเดินอย่างสง่าพาเผยจากวังของเฟร์รไปสู่บ้านนะที่ดูเล็กที่ดู เขาเรียกว่าไม่มีราคาแตะอบอุ่นไปด้วยความรักของคนที่เป็นแม่นะครับและทาไมครับยังมีทหารที่ยืนเฝ้าไม่ให้ใครมาทำร้ายนบีมูซา่านี่ครับพี่น้องครับดังนั้นกัมรอ่านและประวศาสตร์จะสอนเราเลยนะครับว่าอะไรที่เราคิดว่าเราเก่งอะไรคิดว่าเราเราเจ๋วเราดีเรามีความสามารถสุดท้ายนะแผนการของอัลล์เหนือกว่า ทุกทกสิ่งอยู่แล้วเหนือกว่าทุกๆแผนการอยู่แล้วนะครับเดินเราต้องเอาตัวอย่างของแม่นดามิโมซาในความอดทนของคนที่เป็นอุปการีนี่ยนะครับต้องอดทนนะต้องอดทนตรงนี้นะอยากจะเปรียบเทียบในเรื่องของการที่พี่น้องที่มีลูกหลานแล้วก็ตัดสินใจส่งลูกหลานเรียนศาสนานี่นะครับนี่แหละครับเป็นการที่เหมือนว่าออกจากเราไปแล้วสุดท้ายเวลาเคากลับมาเนี่ยเคากลับมาด้วยกับความปลื้มปิติ ดีใจของคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นผู้ที่อุปถัมภ์นะครับเวลากิบ น, นาวสรมลยายอละมุนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้คืออะไรครับก็คิดว่าน้าอ่าน บ, บีมูซาคงจะไม่ใช่เด็กที่ที่จะมาทําร้ายเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับระวังนมระวังฐานหินฐานไฟเนี่ยมันก็น่าจะแยกแยะออกถ้าเป็นบุคคลที่ถูกวางหมากไว้หรือถูก ว, ว่ายว่าจะต้องเป็นผู้ที่ จัด ก, การหรือฆ่าหรือทำลายบรลลังก์ของเฟรเราเห็นไหมก็คิดไปถึงบอกว่าความคิดของเราความเข้าใจของเรานะเป็นความเข้าใจพื้นพื้นเป็นความเข้าใจแค่เบื้องต้นนะครับมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เรายัางไม่ทราบนะครับดันั้นนี่คืออายะฮ์อูอาดที่ที่ตอกย้ําแล้วก็บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเวาลากินดาวัลรมลายานนะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นี่คือใครจะดูแล้วเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่ พึงรู้ไว้เลยนะครับว่าความรู้ที่ที่เขามีความสามารถที่เกิดขึ้นมันก็แค่เป็นเพียงแค่เรายังทําเหมือนเขาไม่ได้เท่านั้นเนี่ยแต่หลักๆคือไม่มีใครรู้ไม่มีใครมีความสามารถเหนือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคืออมรชุพาหนะหัวตะระดังนั้นวันนี้เราจึงได้มุมมองข้อคิดในการเสียสละในการอดทนพยายามในการที่จะบอกว่า ถ้าเราเชื่อมั่นในศาสนาของลอส์ถ้าเราเชื่อมั่นในคําสั่งของลอส์นะครับไม่มีอะไรที่จะทําร้ายเราได้และไม่มีใค ร, ครสักคนนะครับที่จะมาทําให้เราบิดผิวออกจากแนวทางของการเป็นบาตที่ดีของอลอส์สุภาพตลาได้นะครับเอาละครับพี่น้องเวลาพวกเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในปีกต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับขุนบาร์ะห์อัลลอฮ์โมฮัมหมัด